Uh -huh. say. นี้เราก็ฟังทมกันอีกก็ฟังในการปฏิบัติธรรมก็ทำให้ใจเราสบายแต่ว่าจุดสำคัญก็คือ ความศรัทธาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติถ้าเราศรัทธาอยู่กับสิ่งไหนเราก็มีความปราบรื้มอยู่กับสิ่งนั้น มีความเลื่อมใสอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนผู้ภาวนาเนี่ยเรามีศรัทธาอยู่กับองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระอริยสงฆ์เหมือนบางคนก็มีศรัทธากับเหล่าพระอริยะต่างองค์กันนะบางองค์ก็เลื่อมใสพระโมคคัลลานะ งองค์ก็เลื่อมใสท่านพระสารีบุตรบางองค์ก็เลื่อมใสพระกัจจายนะมหาเถระบางคนก็เลื่อมใสพระเถระอานนนุหรือพระอนุรุตหรือพระมาหากัสสปะแต่ละองค์ก็มีดีมีดีแต่ละองค์มีดีน้องชายพระสารีบุตรก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ เรื่องการถือวัดปฏิบัติทุดงนี้ท่านก็ไม่ธรรมดาเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ด้วยตรงนี้ก็คือศรัทธาที่เราจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้ปฏิบัติ คนเราถ้าไม่มีแรงบรนดาลใจพอเจอปัญหาเข้ามากๆ ก, ก็จะท้อถอยแต่ถ้ามีแรงบรนดาลใจแล้วก็มันเหมือนเรามองยอดเขาสูงตองที่เรากำลังเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะจะถึงไหมเนี้ย แต่พอเราคิดถึงสิ่งที่อยู่บนยอดเขาแล้วว่ายังไงยังไงก็ต้องเดินต่อหรือปีนต่อไปหรือต้องขึ้นไปให้ได้อย่างเงี้ยก็นี่คือแรงบันดาลใจอัตมาก็มีแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติอะไรคือแรงบันดาลใจยมรู้บ่าต่มาต้องย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะบวชมาอาจมาเห็น ความไม่จริงใจของมนุษย์หลายอย่างทั้งที่คนนั้นว่าเป็นคนใจบุญสุนทานแล้วนะอยู่กันมาหลายวันเดือนปีดูไปดีๆ เขาขาดคำว่าความจริงใจหรือว่าความเมตตาที่แท้จริงนะไม่ใช่ว่าตามาดูแล้วขนาดคนเหล่านี้คัดออกมาว่าเป็นคน ใจบุญสุนทานนั้วนะนับถือเหล่าเทพเทยดาบูชาอยู่คืนเช้าอยู่ทุกวันแต่เขาก็ยังไม่มีความจริงใจยังเสวงหาผลประโยชน์ ใครที่ไม่มีผลประโยชน์ให้กับเขาเขาก็ไม่รู้สึกรู้ษาถึงทำดีไปก็ไม่รู้ว่าคุณค่ามันคืออะไรจมาก็เลยรู้สึกเรารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บุคคลเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ ที่สุดมนุษย์ล้วนมีแต่กิเลสทั้งนั้นตอนนั้นนะก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ะระลึกว่า แล้วโลกใบนี้จะมีคนประเภทที่เราต้องการมีหรือเปล่าที่จริงใจแล้วก็ไม่หลอกไม่หลอกใช้คนไม่หลอกลวงตนไม่หลอกลวงคนจริงใจเมตตาแล้วก็บริสุทธ หาครบได้ยากโยมโยมลองดูค น, นข้างๆโยมมีไมมสามข้อนี้จริงใจเมตตาบริสุทธิ์สะดุดคำหลังเยอะเลยเพราะดูมันมีผลประโยชน์เคลือบแฝงอยู่ทุกคนมาก็มีจุดที่อยากได้ในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่าง เขายังเลงเห็นเป็นประโยชน์อยู่ขมากออ็อย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้เลวล่ะก็ท้องไปก็ถามว่าไปไหนโลกกว้างไม่รู้จะไปไหนโลกกว้างแต่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยและที่ไหนล่ะที่ไม่มีกิเลส ใครแล้วไม่มีกิเลสจะมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ใจมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาแปลกนะเป็นเรื่องแปลกจริงๆอายุตอนนั้นก็ไม่ได้มากมาอะไยี่สิบต้นๆ้นยิบเอ็ดแต่เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วบาเพ็ญเพียร ทำฌานอยู่แล้วตัวนั้นก็เลยเล่าเรื่องเดิมอีกนะกรรู้สึกหมดอะไรใตอยากหมดกำลังใจนั่งรถไปเรือ่อยถึงในช่างมันจอดกันลงจุดปลายทางค่อยลงไม่สุดไม่ลง นั่งไปนั่งมาผ่านอสวรีนั่งดูคนดีกว่านั่งเท้าเอามือเท้าข้างนั่งดูไปเรื่อยขอแห้งก็ซื้อน้ำดูดกิน้ะเป้นนี้อยู่หกเจ็ดวันมันเกิดความเบื่อก่อนโยมก่อนที่จะบวชนะบวชไม่ใช่ว่าอยากบวชนมันเกิดความเบือ่อจาก คำว่ามนุษย์ก่อนที่เราอยู่ร่วมอยู่รวมกันอพอผ่านไปห7เจดวันก็ไม่เห็นสาระอะไรเลยเราจะไปไหนต่อนี่คือคำถามเราจะไปไหนต่อยังไม่มีคมตอบเลย แต่รู้ว่าไม่มีเรี่ยวแรงตอนนั้นมันหดขู่ที่สุดจิตมันก็รู้ท่้งบอกผู้ไม่มีกิเลสก็คือผู้ที่บรรลุแล้วแล้วใครละบรรลุก็พระพุทธเจ้าไง เออใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองด้วยงั้นเราต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าวัดเอเข้าวัด จริงๆไม่ได้อยู่ในสมองเลยนิยมเรื่องวัดเนี่ยไม่เกี่ยวกับชีวิตเลยคำว่าวัดเนี่ยตอนนี้มันเกี่ยวยังไงไม่รู้รู้ว่ามีพุทธองค์อยู่ในวัดรู้ตรงนี้ก็ไปเราจะพบพระพุทธองค์ได้เราต้อง รู้ธรรมะของพระองค์ก่อนเราจะรู้ธรรมะได้เราต้องศึกษาปฏิบัติเราจะศึกษาปฏิบัติให้ดีได้เราต้องตัดโลภกรดหลงก่อนเออทางนี้จะเร็วที่สุดเราไม่มีบ่วงมีห่วงอะไรนีก็โชคดีอย่างหนึ่ง อยากบวชก็บวชเลยโยไม่ได้ต้องเป็นเซนชื่อมอบโอนอะไรให้ใครสบายโยสบายไม่มีใครมาหาเพราะไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วสบายใหญ่เลยทีนี้ไม่มีบัตรเชิญไม่มีการเชิญสบายอา้าวบวชใช่ไหม ดีบวชก็บวชถามเจ้าว่าต้องบอกเออจะมีพระบวชจะบวชไหมล่ะก็อาศัยเขาบวชบอกได้เลยดีใจใจพองขึ้นมาเลยมันเหมือนว่าเรามีโลกใหม่แล้วเรามีทางเดินแล้วแล้วทางที่จะเดินนี้ จริงใจเมตตาบริสุทธิ์นี่แหะทางที่เราจะเดินพระธรรมาก็ไม่ได้สนอะไรมากเหมือนกันนะชีวิตเกิดมาถึงจุดหนึ่งเราก็มันเบื่อมันเบื่อคนยังบอกไม่ถูกเบื่อคนจอมปลอมยอมนะ เบื่อผู้ดีจอมปลอมเบื่อนักบุญจอมปลอมมันขาดความจริงใจและเมตตาที่บริสุทธิ์มันขาดตรงนี้บวชไม่ลังเลเลยนะและไม่โลเลรู้สึกว่าเราปลอดภัยกว่าเดิมเยอะเลย ที่ตรงนี้เราปลอดภัยเราเข้ามาในใต้ผ้าลวมกาสาวะไม่ต้องไปเย่อแย่งอะไรกับใครไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปริสยากันแล้วรู้สึกเบานะเบาสบายก็ได้บวชสมใจ ท้องขานหน้าก็บวดนั่นเหตุที่บวดใครจะบวช ด, ด้วยเหตุผลอะไรจะมาไม่รู้แต่อาจจะมาบวชเหตุผลตรงนี้แล้วก็มุ่งการปฏิบัติไม่ล้อเล่นกับเวลาที่มีชีวิตอยู่ เล่งปฏิบั ต, ติแต่โยมอย่าคิดนะว่าอุปสรรคไม่มีไม่ว่าบวชพระบวชชีบวชบวสามเณรมีทั้งนั้นบวชชีพราหมณ์ก็มีมีหมดอยากเป็นคนดีบางทีเขาไม่เห็นเป็นก็นได้แล้วแต่เหตุแล้วแต่กรรมวิบาก อะไรก็ไม่รู้ที่มันมีสิ่งเข้ามาพัวพันกับเราอยู่อาจจะมาก็พอได้บวชก็ดีใจเหมือนได้อะไรไม่รู้นะแต่ดีใจอ่ะดีใจตั้งใจภาวนา ขึ้นไปบนเขาไปภาวนาบทวันแรกก็ไปแล้วไปนางบำเพ็ญอยู่ที่สำนักสงฆ์้ไวไคอำเภอปรานจังหวัดประจวบก็ขึ้นไปภาวนาที่นั่นกันดานนะ ก, นกินน้ำฝนต้องมีองค์ มารองน้ำไว้ปีละครั้งรองน้ำปีละครั้งเก็บเอาผ้าดิบผ้าขาวก็มัดปากโอ่งไว้กันลุกยุงลุก น, น้ำบ่ไม่มีอาบน้ำต้องเดินไป จะมีลําธารน้ําอย่างไรลอาบก็เคยไปอาบแถวลําธารอยู่บ่อยถ้าเป็นฝนตกก็อาบอยู่ตรงนั้นสบายตรงนั้นไม่ใช่คือสาระการเป็นอยู่ต่อมาไม่ไม่ถือว่าเป็นสาระแต่การอยู่คือสาระ จมฟังนะการเป็นอยู่ตรมาไม่ได้เห็นความสำคัญมากมายไม่ได้เอาเป็นสาระแก่นสารการกินการนอนการนั่งการเดินขับดืมอาขับทายตมาไม่ได้เห็นเป็นสาระอะไรมากมายแต่การอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยธรรมะหาสาระให้ได้มากที่สุดไหวพระนั่งสมาธิ ธรรมาจะเน้นเรื่องนั่งมากกว่าจะไม่ค่อยยืนไม่ค่อยเดินแต่ใครยืนเดินก็ไม่แปลกนะก็แล้วแต่การเปลี่ยนเอียบดไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ธรรมาต้องการภาพนิ่งมากกว่าเฉพาะนะตอนนั้นนะตอนนั้นนั่งจุดทูบจุดเทียนนั่ง สบายวัดก็ไ ม, ไม่ก็ไม่ได้มีความเจริญอะไรยมกันดานคนก็ไม่ค่อยจะมีพระก็ไม่ค่อยจะมีองค์สององค์ก็เยอะแล้วนั่งกำหนดดูจิตไปเรื่อย ชั่วโมงผ่านชั่วโมงวันผ่านวันอาทิตย์ผ่านอาทิตย์เดือนผ่านเดือนไปเรื่อยๆเราก็เพียรทำไปถ้าคนอยากปฏิบัติหายอยากแล้วเจอเจ็ดวันก็หายอยากหมดแล้วสังเกตดูคนที่อยากปฏิบัติเจ็ดวันหายอยากแล้วเดือนหนึ่งเก่งแล้ว แต่ตมาไม่ใช่ว่าอยากปฏิบัติก็บอกจุดประสงค์นะว่าเราเบื่อความไม่จริงเราแสวงหาสัจธรรมต้องการเข้าเฝ้าพุทธองค์ไง ตอนนี้เราเห็นแค่เป็นรูปรูปปั้นของพระพุทธเจ้ารูปหล่อของพระพุทธเจ้าลูกแกะสลักของพระพุทธเจ้าแต่เรายังไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าต้องมีจิตแห่งพุทธะถ้าไม่อย่างนั้นเรายังไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ อาจะมามีมีอะไรแปลกแปลกของอาจะมาเหมือนกันก็ mm hmm. เ, อเอาความโง่เนี่ยถูไปเรื่อยถูจนกว่าวัวมันแหลมนั่นแหละยอมถูไปเรื่อยรืยก็นั่ง mm hmm. ภาวนาไปใครว่าปฏิบัติไม่มีอุปสรรคใครว่าปฏิบัติแล้วไม่เจอปัญหา คนนั้นยังไม่ปฏิบัติธรรมะจริงเจอก่อนใครว่าปฏิบัติแล้วไม่ไม่เจอมาราบอกธรรมะคุณยังไปไม่ไหนก็คือยังไม่ไปไหนมารเกิดในใจยมเชื่อไหมละ่ะ ทำบุญอยู่แท้ๆนั่งสมาธิจเจริญจิตะภาวนาศึกษาธรรมานเกิดในใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมานเกิดในใจไม่มีใครมาเป็นมาแล้วแต่มันเกิดในใจเราได้ อาตมาเชื่อว่าพวกเราไม่รู้ด้วยซ้าว่ามานเกิดในใจมานเกิดในใจอาตรมาธรรมาก็ไม่รู้นาตอนนั้นเจ็ดวันนั้ น, นอาตธรมาไม่รู้มีนิมิตมาปรากฏมีคุณวิเศษมาให้ร่วงรู้มันมันประหลาด ใจที่ไม่รู้กับรู้แล้วคำว่าร่วงรู้ด้วยนะโอ้ทำให้เราเข้าใจว่าเราเหมือนจะบรรลุเลยนะอาดมาจึงใช้ว่าจิตมานเกิดแต่เข้าใจว่าบรรลุนะ ทำไมจึงใช้คำนี้มันกับบรรลุมันน่าจะแยกกันจริงๆมันแยกกันแต่เราเข้าใจผิดจึงเข้าใจว่าคือทำขั้นสูงเกิดขนาดนอนอยู่ เหมือนไม่ได้นอนเรามาใช้คําว่าหมกมุ่นกับการภาวนาไม่ผิดนะไม่ใช่คําว่าเพียนนะเพราะหมกมุ่นกับเพียนเนี่ยมันจะต่างกันแล้วเราหมกมุ่นอยู่กับการภาวนากําหนดจนเราเป็นตัวตนโดยไม่รู้ตัว เรามีตัวตนโดยเราไม่รู้ตัวเรานึกว่านี่คือธรรมจะมาบอกมารเกิดยืมตัวตนของเรามารเกิดยืมอารมณ์ภายในจิตของเรามารเกิดสร้างนิมิตให้เกิดภายในใจของเราสุดยอดเลยมารเราไม่รู้เลยมันมาตอนไหนมัน มันแฟงมาด้วยกับการภาวนาทำให้เกิดว่าเรารู้ทำให้เกิดว่าเราเห็นทำให้เกิดว่าเรามีธรรมพิเศษขึ้นตอนนั้นไม่รู้ตัวหรอก นอนอยู่ก็เหมือนมีผู้มาปลุกและสนธนาธรรมกันเออมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้จริงๆมีนาการภาวนามีมกม็ามวิปปริดวิปปาราช และกับควบคุมสติทาไม่ได้เขาเรียกทำแตกมันพวกเล่นวิชาเหมือนกันที่ว่าทาแตกบางทีมันควบคุมไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าอาการนั้นคือการควบคุมไม่ได้เราไม่รู้เพราะเราเข้าใจว่านี่เกิดจากการปฏิบัติ ตอนนั้นเราไม่รู้ถ้ารู้ตอนนี้จะมาบอกหลักการปฏิบัติทุกอย่างนิ่งสงบรู้แจ้งตื่นแล้วก็ปล่อยวางหลักตรงนี้เราจะไม่มีผิดพลาดเลยนิ่งสงบรู้แจ้งตื่นปล่อยวางไม่มีเพี้ยนแต่ตอนนั้นไม่ใช่มันมี อาการมันมีอารมณ์มันมีนิมิตอะไรเยอะแยะเราไม่เข้าใจว่าวิปิิตวิปลาสคลาดเคลื่อนอยังไงท่านั้น mm hmm. เหมือนกับปลอมเหมือนกับ mm hmm. ไม่เหมือนมนุษยธรรมดาและวยบคุยกับสิ่งที่ ที่วิเศษได้แล้วยงคิดตรงนี้นะ่ะให้เป็นข้อคิดการปฏิบัติที่หลายคนที่ว่าเพียนไปก็มีแต่คําว่าบ้าเนี่ยโยนไม่ปฏิบัติก็บ้าคําว่าเพียนไม่ปฏิบัติเพียนเยอะด้วยเยอะมากกว่าคนภาวนาอี๋ถามว่ามีไม่มีแต่ส่วนน้อยอย่างที่อะทำมาเป็นเนี่ย เพราะว่าเราใช้กับว่าเราหมกมุ่นมากไปโดยเราไม่รู้ว่าสติจริงๆจเจริญแบบไหนสมาธิจริงๆภาวะเป็นอย่างไรธรรมที่เกิดจริงๆสภาวะธรรมนั้นมีความละเอียดปราณีต ไม่ยึดติดแค่ในเราไม่รู้ไงเราเน้กว่าอะไรที่เกิดก็คือเนี่ยคือการปฏิบัติทั้งหมดมันเหมือนเด็กแลวกันเนาะมันไม่รู้ไงอะไรเขาโยนมาก็เล่นหมดไงไม่รู้เล่นไปหมด แสดงว่ามานเขาก็กลัวเราเหมือนกันเนาะเขากลัวเราจะบรรลุเหมือนกันเขาจึงต้องมาขวางมากันเราแสดงว่าเราอยู่ในสายตาเขาเหมือนกันนะนึกขึ้นมาอีกทีนึ่คนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์นี่เขาไม่สนเราหรอกเ้าก็ปล่อยให้เดินวนอยู่งั้นแหละแต่พอรู้ว่าใครที่มีกำลังขับเคลื่อนศรัทธาตั้งมั่น มีพลังที่จะไปเฝ้าพุทธเจ้าได้เขาต้องเข้ามาขวางทันทีแต่ตอนนั้นธรรมาไม่รู้หรอกไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดวันและสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งยมรู้ไม่เคือนเลย ร่างกายไม่มีคาว่าเหนื่อยมันไม่มีคาว่าเจ็บปวดไม่มีคาว่าอ่อนเพลียมันแปลกร่างกายมนุษย์เราไม่อ่อนเพลียไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นไปไม่ได้ค่าคืนก็ไม่ได้นอนหลับ มันต้องถูกสิงแหละถ้าธรรมดานะถ้าพูดกันแบบสยาศาสตร์หน่อยมันมันต้องมีอะไรเข้ามาทําให้มีอํานาจอะไรที่แฝงอยู่เออจำมาถึงแค่ว่ามารเกิดในใจมันมีคุณของมันนะมันมีอาการมีลักษณะซึ่งเรารู้ว่าคนปกติ สิ่งที่เพิ่มจากความมีอยู่โดยปกติเรารู้ของเราตรงนั้นก็ผ่านไปห7เจดวัรู้สึกตัวเองว่าเรากำลังปฏิบัติเพื่อเป็นผิดลวเราปฏิบัติเพื่อเป็น เป็นตัวเป็นตนแล้วบอกบรรลุมรรคผลอ้างตนวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีสิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราหลงทางแล้วล่ะเราผิดทางแล้วทางนี้ไม่ใช่เราไม่ได้พบพุทโธเราได้เป็นมารไปแล้วจิตนี้ พอระลึกได้เท่านั้นแหะจูเสียใจนะเกิดความเสียใจขึ้นมาว่าเราผิดพลาดได้อย่างไรเราทำจิตของเราทำไมกำเริบปฏิบัติทึกทักอะไรถึงขานาด เรื่องภูมิเรื่องชาติเรื่องพบเรื่องคุณวิเศษสารพัดเราหมกมุ่นอยู่ตรงนี้โดยเราไม่รู้ยังคิดว่าเป็นธรรมขั้นสูงเสียใจใช้คำว่าเสียใจเหมือนจิตมันตายด้านไปช่วงนั้น มันไม่รู้สึกรู้ษามันรู้สึกไม่อยากท่องอะไรสักคำไม่อยากกราบไม่อยากไหวไม่อยากทำอะไรแต่มาจึงใช้ว่ามันเหมือนตายด้านในช่วงนั้นนะพอผ่านเจ็ดวันดูเหมือนมันจะตายด้านมันเย็นชาลงจากเขาตีละครั้งเหมือนคาศึกมาเป้งเป ชาว บ, บ้านวิ่งตาแตกตาตื่นมาหอบบางคนก็หอบปืนบางคนก็หอบขวา น, นคนก็หอบบินคนก็หอบเสียมหอบจอบมาเพราะเป็นสันญาสัญญาณว่าวัดมีไัยแต่มาก็ไม่รู้นะแต่ยีแบบเป๊กเป่งเปัวอย่างเดียวสัญญาณตรงนี้ชาว บ, บ้านเขารู้ว่าวัดมีผู้บุกรุกทําให้เกิดภัยขึ้นมา เงินตาตาแตกตื่นคนม่ลถเครื่องก็ขี่มากกอ่าระมาณผมจีวร อ, อัฏฐบริขารนิสัยยามเต็มหมดแล้วเตรียมจะจลาลีแล้วล่ะคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นใครมาทำอะไรหรืออ๋อไม่มีอะไรอาตมาจะไปแล้ว ตีระครังฉุกเฉินนั่นใจจะมาเป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นนะตอนที่ไม่กล้าทำหรอกอยโยโยงวิ่งตัวเตือนนิสันมันเลยลนะกับข้าสึกมาตีในรอบสิบยี่สิปีชาวบ้านไม่เคยได้ยินพระตีระครังขนาดนี้รัวเลยแป้งตีแบบไม่มีไม่มีบทเลยละตี เขาถามว่าทำไมต้องไปด้วยจะมาอยู่ไม่ได้แล้วอยมจะไปแล้วชาวบ้านก็ศรัทธานะนานๆมีพระมาปฏิบัติอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็อยากทำบุญแต่มาก็บอกใจตอบอกใจตอนนั้นมัน มันไม่ใช่แล้วโยมต่มาไปแล้วก็ไปมีโยมเดินตามสงคนหนึ่งก่อนจะจากก็ขอนดินที่ติดอยู่ตามซอกเท้าตอนนั้นฝนมีตกบ้างดินก็เปียกแฉะอยู่บ้างงามเท้าก็ติดดินโครนดินเนี้ยก็โยมก็ขอตอนนั้นก็ไม่ใส่รองเท้าหรอกเดินโยมก็บอกผมขอเป็น มงคลแล้วกันบอกเอาไม่ยมขอก็เอาไปเถอะชื่อยมรุนกอนนี้เราศรัทธาได้มานั่งปฏิบัติเขาก็เขาก็มีความเลื่อมใสนแะต่มาก็ลงมาที่กรุงเทพมาหาพระมหาเทระรูปหนึ่งที่เคยรู้จักก่อนที่จะบวช ท่านก็บวชมาหลายปีแล้วเราให้ท่านฟังทั้งหมดเรื่องราวทั้งหลายในการปฏิบัติภาวนาเกิดขึ้นท่านก็บอกต่อมาก็บอกจะให้ทำยังไงต่อหรือผมสึกดีไหมท่านบอกไม่ต้องสึก เราไม่ได้ผิดอะไรการปฏิบัติจิตมารเกิดเรารู้แล้วก็ถือว่าจบแล้วก็อย่าประมาทเริ่มต้นใหม่แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าท่านบอกไปอยู่อีสานแล้วกันไปอยู่อีสานใกล้ครูบาอาจารยนะ์ก็ตอนนั้นมีหลวงพ่อชื่อองค์หลวงพ่อลีอายุท่านก็ แปดสิบกว่าจะเก้าสิบท่านบอกอขึ้นไปเดี๋ยวจะเขียนจดหมายฝากไปก็ให้รถน้ำมนต์ให้จิตใจสบายหน่อยมันเหมือนคนป่วยเหมือนกันนะตอนนั้นโยมคิดออกนะเหมือนคนตกม้านะควบมาเร็วมากแล้วก็พอเห็นหน้าผาก็กระโดดม้าลงหน้าผาตัวเองยังอยู่ ก็ยังไม่ตายก็รู้สึกบอบช้ำเจ็บแล้วก็ขยาดตัวนะั้นก็เดินทางไปอีสานก็คืออุบลอำเภอตรัการก็ไปท่านก็เสกลดน้ำมนให้ลดอยู่หลายวันก็กยัง รู้สึกว่าเรายังเจ็บอยู่เรายังเจ็บเรายังบอบช้ำอยู่ความหึกเหิมตอนนั้นมันมันเหมือนไฟมันจะมอดนะช่วงนัง้นอัตมาก็รู้สึกเฉยๆไปตอนนั้น อยู่ช่วงสั้นๆนะเพราะว่าันธันสดานมันเคยฝังมาแล้วยังไงยังไงเมื่อมันไม่ตายมันก็ต้องแตกงอกขึ้นมาอยู่ดียอดมันต้องแทงต้นขึ้นมาใหม่นี่คือวาสนานี่แหละคือบารามีที่เราทําเอาไว้แบบไหนยังไงยังไงมันก็ส่งมาอีกผ่านวิกฤตการภาวนามาจุดใหญ่ๆนะ ที่เล่าตรงนี้ไม่ใช่อาจจะมาเป็นองค์เดียวนะพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีบทบาทส่วนมากต้องผ่านจุดนี้ก่อนทั้งนั้นไม่อย่างนั้นคุณธรรมขั้นสูงท่านรับไม่ไหวสติตามไม่ทันจิตไม่สามารถรักษาธรรมตรงนั้นได้เพราะมันมีคุณลักษณะมหาศาลพลังมันมหาศาลคุมไม่ได้ พอผ่านมาตอนนี้จะมาก็รู้สึกขอบคุณขอบใจที่เกิดตอนนั้นไม่เกิดตอนนั้นมาเกิดตอนนี้เราแย่เลยดีแล้วรู้เท่ารู้ทันรู้ปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันรู้สภาวธรรมตรงเนี้ยมันสำคัญ อาตมาก็เริ่มแล้วโยมเริ่มใหม่เหมือนเด็กแบดเจ็บจนกลัวตอนนั้นโยมตกบันไดแล้วเห็นบันไดแล้วก็เสียวเลยอย่าเงี้ยประมาณนั้นไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่โยมแค่มองบันไดก็นึกถึงว่าเคยตกลงไปแล้วนะก็เริ่มพื้นฟูตัวเองไ่อัดไหว้พระ จเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่อนทำวัดเช้าวัดเย็นจเจริญวุทธรรมมณ์สวดมุ์เริ่มทำสมาธิต่ออีกทีนี้สติเนี่ยเราจะไม่ตามอารมณ์ตรงนี้ ที่บอกสติไม่ตามอารมณ์จิตใจจะต้องมีคำว่าเหตุผลจึงเกิดมรรคผลพระพุทธเจ้ารู้เหตุผลจึงเกิดมรรคผลก่อนไม่งั้นไม่มีคำว่าพินสามสายนั่นคือเหตุผลก่อนมรรคผลจึงตามมาก็<ะ>ปฏิบัติต่อนะั้ การมีกุดเล็กๆหลังที่เขาลื้อจากป่าช้ามาก็อยู่พอใจแล้วกระดานก็ยุบยาบยุบยาบจะหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นสติไปหมดเลยมีรูมีช่องรูเดินระวังก็ดีมันเหมือนพักฟื้นมันเหมือนพักฟื้นที่เราเคยบาดเจ็บมา ก็ค่อยๆฟื้นนั่งสมาธิตั้งสติดูจิตใหม่แต่โยมต้องยอมรับอย่างว่าพื้นฐานแห่งการปฏิบัติยังไงยังไงเราก็มีพื้นฐานถึงเริ่มต้นใหม่แต่พื้นเก่าเรามีมาดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นใหม่นะเราก็เท่ากับเริ่มระมัดระวัง แต่ฐานที่เราได้มาแล้วเนี่ยฐานจิตที่เราตั้งการทําสมาธิมันไม่ยากสําหรับผู้ที่ทํามาแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องรู้อารมณ์อย่าตามอารมณ์อย่าตามความรู้สึกอย่าตามความคิด อย่าหลงปรุงจิตมันบอกเราหมดแล้วตอนนี้มันเหมือนข้อสอบผ่านแล้วเราสอบตกแล้วเราเห็นคำเฉลยมันแล้วที่เราตกเพราะอะไรที่เราเจ็บเพราะอะไรที่เราซ้าชั้นเพราะอะไรก็บทเหล่านั้นเอามาเอามาใหม่เอามาทำใหม่เอามาทบทวนใหม่เพราะจิตมันก็ต้องเดินทางนี้อยู่แล้ว เมื่อเรากลับมาได้สติกลับมาได้ก็เราตั้งมันไม่ใช่เกิดจากความทยันอยากที่เรามั่นหมายแต่เกิดจากความรู้ไม่เท่าทันจึงเกิดความมั่นหมายมันต่างกันนะถ้าเกิดจากความทยันอยากตรงนี้แก้ยากบางคนกูไม่กลับเลยนะเพี้ยนก็เพี้ยนไปเลยเพราะตรงนั้นมีมานะมีอัตตามีทิฏฐิมีมิจฉาอยู่ด้วย แล้วก็ผูกตัวเองเอาไว้คือถอยไม่ได้ลงไม่ได้ยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้ตรงนี้อันดารายอัตมาไม่มีอาการเหล่านั้นแต่มารอดสบายตรงนี้ไม่ได้เอาชนะไม่ได้เอาทิฏฐิไม่ได้เอามานะแต่เราหลงโดยเราสติตามไม่ทันรู้ไม่เท่าทันตรงนั้นมากกว่า มันเหมือนเราควบคุมความเร็วไม่อยู่เออเงี้ยพอเราครวบใช่ไหมเราอยากขี่มาเร็วเร็วสุดท้ายเราควบคุมมันไม่อยู่แล้วก็โดนดีดล่วงลงมาตุบเจ็บช้ำไปเลยนพอเริ่มใหม่แต่มาบอกมันเข้าใจเยอะเลยนะถึงบอกเออบทเรียนราคาแพง เอาชีวิตไปแลกมานั่นเนี่ยได้ทั้งความเจ็บปวดได้ทั้งความบอบช้าได้ทั้งความเสียใจด้วยนะไม่ใช่ไม่มีมีเรารู้สึกเสียใจน้ําตาไหลหลายรอบกันนะตอนนั้นทำไมจึงหลายบอกบอกุกตาศลทำดีแล้วทําไมเป็นแบบนี้มันก็ไหลพลากมา อายมลองทำดีแล้วก็มันมันกับไม่ใช่อ่ะเราก็รู้สึกกับมันนะเมนก่อนเนี่ยคือเป็นเพลงชีวิตเราที่มันไหลออกมาโดยไม่ต้องมีดนตรีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพลงจากจิตวิญญาขับขานด้วยหยดน้ำตามันลึกเท่าไหร่ มันก็บาทเท่านั้นแหละเราจะรู้สึกและมันจำนะความประทับใจมันต้องเกิดจากใจเท่านั้นไม่เกิดจากสิ่งภายนอกอื่นใจเรามันสัมผัสได้จึงเรียกว่าเกิดจากค่วงจิตหรือจิตที่ประทับตรงนั้นก็เริ่มภาวนา เริ่มใหม่ตั้งสติใหม่กำหนดจิตใหม่ตอนนี้ดูจิตมากกว่าเดิมตั้งสติดูจิตเกิดอะไรขึ้นโยมต้องหัดเหมือนคนดูหนังดูละครเราเป็นผู้ดูดูแบบมีสติบทเดี๋ยวมีร้ายเดี๋ยวมีดี เด๋ยมมีหวัวเราะเด๋ยมมีร้องให้เด๋ยมมีโกรธเด๋ยมมีแค้นเด๋ยมมีฝ่ายร้าโยมต้องเป็นผู้ดูเท่านั้นอย่าเป็นผู้แสดงวิธีนั่งสมาธิคล้ายตรงนี้เลยนะคล้ายนะเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดู ด, ดูมีสติ ดูจิตเกิดอะไรดูความเกิดโยมดูไปเถอะแล้วค่อยๆเห็นอย่ารีบร้อนเส้นทางนี้รีบเร่งไม่ได้ ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและอย่างท้วนถี่จะนำมาบอกไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลวิมังสารมันตริตรองพิจารณาโดยอุบายที่ชอบด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยดังกําหนดดูอนยมจะต้องสร้างเหตุผลก่อนไม่แย่สร้างอารมณ์ คุณธรรมจะเกิดจากเหตุผลอาธรรมเกิดจากอารมณ์ทั้งหมดนั่งดูไปเรื่อยสติจิตสติจิตชีวิตลมหายใจลมหายใจปล่อยว่าเข้าหรือออกเรื่องของลมตัดไปแล้วหนึ่งสติ ลมหายใจแล้วก็ชีวิตสติจิตชีวิตลมหายใจเอาละลมหายใจปลดปล่อยไปแล้วเข้าหรือไม่เข้าออกหรือไม่ออกไม่ได้สนตรงนั้นคืนกับสู่ธรรมชาติเขาหายใจโดยธรรมชาติที่เขามีชีวิตก็ให้เขาหายใจไป จบเรื่องลมหายใจสติจิตชีวิตลมหายใจไม่นับแล้วหมดไปแล้วปลอดตอนนี้เหลือชีวิตชีวิตที่รับรู้ชีวิตที่มีอยู่ชีวิตที่นั่งอยู่และชีวิตที่ต้องตายชีวิตก็คือชีวิตไม่ยึดติด ลอยวางชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตมาไม่ถึงอยู่ปัจจุบันตัดชีวิตก็คือปัจจุบันมีปัจจุบันอยู่ก็คือมีชีวิตมีชีวิตอยู่ก็คือปัจจุบันวางเป็นกลางๆเหลืออะไรสติจิตมันเหมือนโจมปอกก้าโพดเห็นไหมเริเริ่มแย้มออกมา เหลือสติจิตสติอะไรสติระลึกระลึกอะไรดูจิตดูยังไงจิตอยู่ตรงไหนซ้ายขวาหน้าล่างสูงตำ่ำท่านทึกทักอะไรว่าจิตอาตมาก็เลยถามที่เราเรียกว่าจิตโกรธความโกรธอยู่ตรงไหนจิตเมตตาความเมตตาอยู่ตรงไหน กิตก็คือนามธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่วัตถุเป็นสภาวะจึงใชว่าขณะจิตเกิดดับเท่านั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยมกำหนดดูในจิตเมตตาอะไรคือเมตตาในจิตโกรธอะไรคือโกรธมันเกิดแต่ละขณะขณะขณะขณะมันเป็นเวที มันเป็นเวทีที่เราจะแสดงจึงบอกจิตเป็นนามธรรมสติรละลึกรู้อะไรรู้ขณะขณะสิ่งที่เกิดเมตตาหรือโกรธเติมว่าจิตโกรธจิตเมตตาเออเป็นนามธรรม แม้สมาธิก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นนามธรรมโยมลงกำหนดเมื่อกี้บอกขณะจิตเมตตาตัวโกรธไม่มีแลนาะจิตจะเกิดแต่ละครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมตตาเกิดโกรธดับ ความโกรธเกิดเมตตาหายขณะจิตพอสมาธิเกิดปุ๊บอาการเหล่านั้นก็หายไปทั้งคู่นั่งดูสมาธิเมตตาโกรธตัวไหนเป็นตัวจิตไหมเนี่ยมันเป็นสภาวะปรากฏ ที่แท้ตัวรู้นี่เองมีหน้าใช้ว่ารู้รู้รู้จิตรู้ทร ร, รู้สติมันเป็นสภาวะรู้สติตั้งใหม่และลึกรู้ที่นี้และลึกรู้ว่าขณะ ภายในชีวิตเกิดอะไรขณะยอมกาหนดดยขณะจิตขณะจิตบางทีเรียกว่าวิญญาณบางทีเรียกว่ามาโนบางทีเรียกว่าจิตบางทีเรียกว่าใจแล้วแต่จะใช้ สงเคราะห์เข้าในเวลาในภาษาที่จะใช้แต่ทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนมีลักษณะเกิดได้ดับได้จึงเรียกว่าเป็นนามธรรมาแต่ถ้ากายนี่คือตายตัวเลยนะจมูกเนี่ยหูเนี่ยมันจับต้องอยู่เนี้ยแต่มันไม่เที่ยงเหมือนกันนะจับได้ต้องได้แต่ไม่เที่ยง แปรปรวนแตกดับเหมือนกันแต่นี่มันของหยาบริงเรียกว่ารูปธรรมไอ้นั่นนามธรรมบอกเออกำหนดใหม่สติและลึกรู้เพ่งดูจิตเมื่อเราเกิดสมาธิจิตสงบเมื่อเกิด อาการอะไรเกิดขึ้นฟุ้งซ่านก็เกิดได้โทษสะเกิดได้อะไรก็เกิดได้หมดแสงว่าจิตนี้เป็นสภาวะยมอย่าไปมั่นหมายมีน้าพุจจาบอกที่สุดก็ว่างเปล่าบุญคุณความแค้นเมื่อตกลงกันได้ มันก็สิ้นสุดหลงใจสิ้นสุดทุกอย่างยุติใจยุติทุกอย่างไม่มีเป็นอย่างนี้เองพวกเราถูกหลอกทั้งนั้นเลยเราทึกทักเป็นเราทั้งหมดเราหลงว่าสุขเป็นของเรา ทุกเป็นของเราความคับแค้นใจเป็นของเราจริงๆเป็นเพียงชั่วขณะจิตเท่านั้นช่วขณะนามธรรมที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะเข้าใจว่าเรากำลังเจ็บปวดจริงๆไม่ใช่อวิชชาต่างหาก ที่ทำให้เราเจ็บด้วยความไม่รู้เออแต่มาบอกเอาละเราเริ่มเรียนบทใหม่แล้วสติระลึกรู้เพ่งดูจิตชีวิตอยู่กับปัจจุบันในไม่ปรุงไม่แต่งสิในไม่ออกนอกไม่เข้าหมายความยังไง ในไม่ออกคือไม่ปรุงให้เกิดอะไรขึ้นมาใหม่ที่จะส่งออกไปนอกไม่เข่าตาหูจมูกทั้งหมดที่รับกระทบสัมผัสเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินสักว่ายินไม่ให้จิตปรุงแต่งแค่ มีวิญญาณธาตุรับรู้เท่านั้นโสตาคานะชิวหาแค่สัมผัสรู้วิญญาณธาตุมิหน้าที่บอกอายตนะภายในภายนอกที่เขาบอกคนจะบรรลุเร็วต้องฝึกแบบปิดประตรูตีแมวส ม, มาใช้ศัพท์นี้มาแล้ว ในไม่ออกนอกไม่เข้าเฝ้าดูจิตเหมือนกับเราสร้างยามเอาไว้เฝ้าให้ดีนะบอกว่าคนในอย่าให้ออกคนนอกอย่าให้เข้านะเฝ้าให้ดีเหมือนสติเป็นยามรักษา เราดูเรารู้เท่าทันเสร็จพอจะปลุกจะแต่งเอาธรรมะมาล่อยใส่เลยท่านหลงว่าจิตนี้เป็นท่านอีกแล้วหรือมารเราเห็นแล้วหละหยุดเถอะท่านแสดงไม่ได้แร้วสภาวะจิตนี้เราดูแลอยู่จิตมารจะไม่เกิด ถ้าเราพูดทันนะมันจะไม่มีอำนาจเลยนะมันจะสลายทันทีแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันขณะนั้นจิตมันจะถูกสร้างปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมามันบอกว่ามันเจ็บปวดมันบอกว่ามันแค้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้หาเหตุผลมาให้เรา ต้องยอมรับว่าเราถูกรังแกเราทนไม่ได้เราต้องแก้แค้นไม่อย่างนั้นตายตาไม่หลับขายหนังจีนไหมมันส่งไปไกลขนาดนั้นนะรู้ไม่เท่าทันแล้วเพิ่งบอกเออโยมต้องปิดประตูดีแมว สติและลึกรูเพ่งดูจิตโยมดูอะไรเกิดอะไรดับอะไรปรุงอะไรแต่งอะไรละอะไรวางอะไรยึดอะไรวางโยม ด, ดูดูตรงนี้ดูเป็นเดือนเป็นปีจนจิตภาวะข้างในเนี่ยสภาวะธรรมสว่างสวัยสะอาด ไม่มีอะไรมาเจือมานเกิดไม่ได้ถ้ายมไม่ดูระวังพลาดนะเพราะมันมีคำว่าอานุษยสนอนเนื่องอยู่ข้างในนะมันเป็นสาชาวากิเลสสำคัญนะดีไมด่ดีสติตอนตื่นนะ่าดีพอตอนหลับสติเราไม่ะระลึกรู้ตามไม่กำหนด มันอาจจะสร้างให้ขุนตอนหลับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้ระลึกรู้อารมณ์มันพันแล่นทันทีเลยโยมเคยสังเกตมันเสียงเด็กดังดังรู้ว่เ้ยไปดังอะไรกันก น, นักหนาไปขาดแล้วนะเมื่อกี้โดยไม่รู้ตัวนะั่นก่อนจะหลับจะนอนมาดังอยู่นิดแฉ่งซะเลยนะี่ไหะ อย่าบอกไม่เป็นนะเป็นเป็นมันคนยังจะหลับหลับไอ้นู้นมากรแทก็ลืบตากกูโกรธมึงแล้วนั้นเนี่ยเกิดกูไม่บอกมึงหรอกเดี๋ยวอาจารย์กูรู้เอามือถือกูไปเครื่องหนึ่งเดี๋ยวกูจะกลับมาสองเครื่องนะ่ะไปแก้แค้นคนอื่นแทนเนี่ยบอกออผู้หญิงบางคนบอกโดนผู้ชายหลอกแค้นไปหลอกผู้ชายคนอื่นอื่ น, น, นต่อ แล้วมันบอกหายแค้นจิตมารเกิดนะนะผู้ชายเหมือนกันโดนผู้หญิงหลอกแหมเราคนดีคนซื่อคนเลยพอถูกหลอกขึ้นมาต่อจากนั้นไปไปแก้แค้นผู้หญิงอื่นสี่ห้าเจ็ดแปดจิตไม่ปล่อยวางมารเกิดอยู่ในใจตรงนั้นจึงบอกเขา สำคัญจิตไม่ปล่อยวางมานเกิดในใจเมื่อจิตปล่อยวางมานไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาปรุงแต่งเราเขาหาเหตุผลอะไรไม่ได้เพราะเราปล่อยวางแล้วแต่เมื่อไรยมมั่นหมายนะตัวตนอยู่นะเขายืมเหตุผลตัวตนยมนั่นแหละมาอ้างมาสมอ้างและเหตุผลนี้โอ้โหฟังขึ้นเลยฟังขึ้นรับมิรได้เลย เตรียมเชือดแล้วอา้าวสมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ